เคยเจอประสบะการณ์นเนี่ยตัวเองก็คือเคยเหมือนเหมือนลักษณะจะตายอย่าไม่แต่ไม่รู้ว่าตายจริงหรือเปล่าแต่มันตายไปกับความหลงอะ่ะเพราะว่าเคยเคยเหมือนกับบรรดับจิตอะ่ะตอนอายุสามสิบปีกว่ามันตายจากปลายเท้าขึ้นมาแล้วมันก็มันเย็นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็กำหนดพุทธพุทโทตามเพราะตอนนั้นลูกก็ยังไม่มีความรู้อะไรแล้วแต่แล้วมันก็กระเด็นออกมาข้างนอกมันหยุดหายใจ มันมันธาตุมันแตกแล้วก็ลูกก็ไม่เห็นตัวเองนอนแล้วมันยังมีความหลงอยู่อะ่ะลูกใครเจอประสบการณ์ตนี้ก็หลงยึดว่าตัวมันเป็นของของลูกไงลูกก็นั่งร้องไห้ดูมันอยู่เนี่ยตอนนั้นคือขนาดจิตที่ดับแล้ว น, นั้นคือเขาให้เห็นคือจิตหลงใช่ไหมคะใ ห, ให้เรารู้แต่หนูไม่รู้ตอนนั้นหนูยังไม่รู้เท่าทันเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันว่า เมื่อเราตายแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นตัวลำรองไว้ก่อนเลยว่ามีตัวเราออกจากกลางมาเห็นไหมคือหลายคนนั่งสมาธิอยู่หรือหรือพอนอนเนี่ยนอนหลับเนี่ยแล้วก็เขาก็ดูลงหายใจก็ออกอหะแล้วอยู่ๆก็มีตัวเรากระเด็นออกมาจากกลางมาดูตัวเรานอนหลับบางทีหมอผ่าตัดเนี่ยแล้วออกมาดูดูตัวเองโดนหมอผ่าตัดมีหลายคนลูกศิษย์ก็มีที่วันล่าให้ฟัง มบางคนนั่งหายใจดูลมหายใจเขาออกไม่กี่ทีมีตัวเองออกมายืนดูล่างตัวเองที่นั่งหายใจอยู่แต่อีคนหนึ่งนอนอยู่ชอบนอนนอนนอนทําอนาปานติรู้ ล, ลมหายใจเขาออกไม่กี่ทีอะบอกทําเป็นตเด็กแล้วก็มีตัวเองออกจากล่างมาดูตัวเองนอนแล้วก็พอออกมาแล้วก็จะกลัวมากเลยเพราะว่าโลกนั้นว้าเหวมากเลยอ้างว้างมากแล้วก็มันจะหลุดกลับเข้าไปหาล่างตัวเองบอกเจ็บมากเลยมันเหมือนยางหนังกระติกอะ มันดูดกลับปัญญาเจ็บมากเลยจะดูดกลับก็ไปหาล่างตัวเองอย่างเงี้ยเนี่ยคือเวลาเราตายแล้วเนี่ยถ้าเรายังยึดอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่ตัวเราเนี่ยที่ไอ้ตัวเราที่นอนอยู่เนี่ยที่ดูออกจากล่างมาเนี่ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถมีเวทนาสัญญาสังขามวิญญาณได้ต่อไปเลยขันห้ามเลยดับไอ้ตัวที่ดับเท่ตัวที่นอนเวลาตายแล้วเนี่ยไอ้รูปเวทนาสัญญาตังขามวิญญาณในขันห้าที่เป็นกายหยาบดับหมดเลยแต่ไอ้กายละเอียดไอ้กายที่โปงแสงเนี่ย มันไม่ดับไปมันไม่ดับไปตัวเนี้ยมันยึดไว้ว่าเรามีรูป่างหน้าตาอย่างไรทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค่ยังไงมันก็ออกมาอยู่กับร่างเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันร้องห่มร้องไห้เคยทุกอย่างไงเจ็บปวดอยังไงมันก็ ม, มาจําได้ม า, มาทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค่ยังไงแล้วหลอดจกนกระทั่งพวกยมทูต ท, ที่เขามาเอาวิญญาณไปเอาไปพิพาทศาลลงโทษเขาก็จะลากออกไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรตัวมันไม่ดับหายไปไงแต่มีอยู่คนหนึ่งเก่งกว่านี้มีอยู่คนหนึ่งตอนที่เราไปตอนเชีงยงใหม่ มีคนหนึ่งมันออกมันออกจากล่างมาเรื่อยเดี๋ิมก็ออกมาเดิกออกมดก็ออกมาจากล่างเลยแล้วมันเกิดปัญญาคือมันเห็นว่าไอ้ล่างที่นอนอยู่เนี่ยมันไม่มีปฏิกิยามันคิดหนึ่งตัวตอนปุงแต่งพูดอะไรไม่ได้แต่ไอ้ตัวที่คิดหนึ่งตัวตอนปรุงแต่งพูดได้มาอยู่ที่ไอ้ตัวออกจากล่างมาเลยมันมาเกิดปัญญาไงตัวเนี้ยคนนี้มันเกิดปัญญาว่าแล้วใครมารู้วะ ไอตัวที่ออกจากล่างมาพูดได้ใครมารู้วะไอตัวที่ออกจากล่างมาพูดได้เห็นไหมมนถอดอีกชั้นหนึ่งได้เลยไอเนี่ยมันถอดมาอยู่ที่ไอตัวพูดรู้วะไอ้จิตไอกายโปร่งแสงที่พูดได้คือไอกายจิตเนี้ยกายเนื้อเนี่ยถูกออกจากล่างมาแล้วมาอยู่ที่กายจิตอ่ะพูดง่ายมาอยู่ที่กายจิตกายปร่งแสงแต่อันี่มันมีปัญญาเพราะมัเห็นบ่อยๆเข้าใครมารู้วะ ไอ้กายจิตเนี่มันพูดได้มันออกมาได้แต่มันพูดได้มันมีความกลัวมีความรู้สึกได้พอมันเสร็จกบมันเลยสัตกระโลู้รู้เฉยเฉยรู้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้กายจิตเนยที่มันพูดได้กายจิตมันพูดได้ที่มันมีความรู้สึกมันคิดลมได้น่ะมันมันรู้อยู่เฉยเฉยมันรู้ไอ้กายจิตอยู่เฉยเฉยพบมันมันสักระรู้กายจิตอยู่เฉย มันพลัง้งหลุดไ ป, ไปอยู่ก็ไอ้รู้ไปอยู่กับรู้มันปล่อยวางไห้กายจิตได้เลยแล้วพออยู่กับรู้ปุ๊บพอพ อ, พอสิ้นยึดไอ้ไอตัวปรงแต่งนั่นแหะไอ้จิตปรงแต่งนั่นแหละไอ้รู้ว่างเปล่าเลยเลยมันกล า, ายเป็นความรู้ที่วา่างเปล่าเนี่ยมันถอดถอดกายจิตออกมาจากกายเนื้อแล้วผู้รู้เนี่ยที่เป็นความวา่างเปล่าเนี่ยพลั้งหลุดออกมา มันเป็นสักตะวันรู้เลยใช่ใช่พอเดิมไม่มีความปุงแต่ง่ะกล่าความไม่ปุงแต่งมารวมกันมันมารวมกันอยู่ที่ไอตัวที่ออกจากล่างมาอไอตัวที่พูดได้บ่นได้เนี่ยมันมาอยู่รวมกับไอไอผู้รู้ไอผู้รู้เนี่ยมันมารวมอยู่กับไอตัวที่คิดได้บ่นได้พูดได้แต่มันเนี่ยคนมันลืมเฉลียวใจมันเอาไว้ตัวที่พูดได้บ่นได้เนี่ยมาเป็นตัวเราซะ มันลืมเฉลียวใจไปครั้งนี้เองเนี่ยก็ออกจากล่างมาหลายครั้งนะแต่มันลืมเฉลียวใจว่าเอาไอ้ตัวมันเอาไอ้ตัวที่พูดได้บนได้เนี่ยมาเป็นตัวเราแต่หลายคนที่มาหาเราที่ที่บอกว่าออกมาจากล่างได้ไม่ไม่ไม่มีความสามารถแบบนี้คือพอออกมาแล้วมันกลัวว่าโลกนี้มันทำไปว้าเหวมากแบบเนี้โอ้โหไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วมันกลัวเข้าล่างไม่ได้แล้วไม่รีบกระโดดเข้าล่างทุกทีเลยเออหลายคนไม่มีปัญญาแบบนี้แต่อันนียมันออกมาไปบ่อยปุ๊บเลยมันมันมาดูไอ ไอตัวที่ออกมาเฉยมาสักตะวันรู้ไอตัวที่ออกมาพอมันไม่ติดไอไอตัวที่ออกมาที่มันพูดได้ไอไอไอไอกายไอกายจิตที่มันพูดได้บนได้ที่มันวิเคราะห์ได้อะไรได้ที่มันมันตึกตองได้ว่าอะไรเป็นอะไรได้มันว่าเอ๊ยแล้วใครมารู้ไอตัวนี้วะใครมารู้ไอไอตัวที่ออกมาได้แล้วมันพูดได้บนได้ออกจากล่างแล้วมันพูดได้บนได้เลยมันเข้าใจแบบนี้ปุ๊บมันเลยสักตะรู้เลยรู้ไอตัวที่พูดได้บนได้เพราะมันสักตะวรู้มายึดไอตัวที่มันพูดได้บนได้มันเลยกลายเป็น วิสังขารอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันวิสังขารมันรวมอยู่กับไอ้ตัวพูดได้บนได้พอมันไม่เป็นตัวไอ้ตัวที่พูดได้บนได้นี่ไอ้ตัวที่ออกมามันเลยกลายเป็นตัววิสังขารมันเลยถอดถอดอีกชั้นเป็นสามชั้นถอดกายถอดกายไอ้จิตออกจากกายตัวที่จิตที่ปรุงแต่งได้แล้วก็ถอดไอ้ผู้รู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยออกจากออกจากจิตที่ปรุงแต่งไม่มีใครถอดนะคือมันถอดเพราะความรู้พอมันสิ้นหลงเนี่ยมันเลยถอดเองไม่ใช่ว่าพยายามไปแยกตัวเราออกมาจากจิตที่ปรุงแต่งนะเพราะความรู้ความเข้าใจ มาอยู่กับสักตะวะรุเนี่ยที่เป็นที่มาของพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสว่าพัยยะถ้าเธอสักตะวารุนะเนี่ยเธอจะสิ้นตัวตนนะไม่มีตัวตนของเธอเลยแล้วเธอจะสิ้นกิเลสบรรพณิพานพยยะสักตะวารุเลยบรรพณิพานเลยมันมันสามถอดเลยคือกลายเป็นสามถอดเข้าใจไหมเดิมมันมีสามในร่างกายเราเนี่ยในร่างกายเรามีสามนะแต่มันไม่ได้ถอดออกจากกันในร่างกายเราเนี่ยมีสามคือสามอะไรคือกายเนื้อ แล้วมีไอ้ ก, กายจิตเนี่ยอยู่ในร่างเราเนี่ยแหละคือไอ้ตัวพูดได้บ่นได้คิดได้นึกติดตอนปรุงแต่งได้มีความรู้สึกได้นี่คือกายจิตแล้วก็มีผู้รู้ที่เป็นพุทธะที่พูดไปได้บ่นไม่ได้ได้แต่แค่รู้อย่างเดียวมันมีสามตัวอยู่ในร่างเราเนี่ยแต่เนี่ยอันนี้มันเกิดฟุ๊ไอ้เอาคุยเอาไอ้ ก, กายจิตออกจากล่างเฉยเยยออยลยอ่ะกายจิตออกจากล่างแต่มันทําบ่อยเนี่ยทําบ่อยออกมาบ่นทําบ่อยหลอดจากล่างมาเราไม่เห็น เดี๋ยวไม่หมายมันกลัวมันก็เด้งดึ๋งกลับเข้าไปแกไม่หมายมันไม่หมายกลัวแต่มันาะมันนานๆก็มัเกิดขึ้นบ่อยมันเลยไอ้ตัวที่นอนอยู่มันพูดไม่ได้บ่นไม่ได้ไอตัวพูดได้บ่นได้มันมาอยู่ที่ไอตัวที่ออกมาไว้เป็นจิตไว้ไอกายจิตเนี่ยมันพูดได้บ่นได้มีความกลัวมีความสึกก็จะเด้งกลับไปเรื่อยเลยวันหนึ่งมันถ้าใครมาลุ้ใครมารู้ไอตัวพูดได้บ่นได้มันก็รู้อยู่เนี้ยมันบอกว่ามันมันก็รู้อยู่เฉย รู้ไอ้ตัวที่พูดได้บ่นได้รู้ไอ้จิตที่พูดได้บ่นได้ตัวการปรงแต่เฉยๆเนี่ยปุ๊บอ่ะไม่ยึดถือเลยเลยหลุดอีกถอดหนึ่งหลุดออกไป เ, กเป็นผู้รู้ที่ไม่มีที่พูดไม่ได้บ่นไม่ได้กลายเป็นความว่างเลยกลายเป็นความว่างไปเลยแต่พอยังไม่ตายนะ่มันก็จะลวกเข้ามาปุ๊บปุ๊ป๊บป๊คือเอาไอ้ความว่างอ่ะมันรวมกับจิตที่ปรุงแต่งมันรวมกับกายเนื้อแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วก็ซ้อมอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเราก็บอกเออให้ซ้อมให้ชํานาญ พ อ, พอตายปุ๊บมันก็เลยจะถอดสามถอด ต, ตอนยังไม่ตายมันก็ต้องรวมกันไปก่อนแต่รวมแบบเข้าใจแล้วว่าสามส่วนไม่ติดกันแต่พวกเราเนี่ยสามส่วนเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเขาถอดได้เฉพาะช่วงนั้นเนี่ยแล้วทํามันมันไม่จําเป็นที่เขาจะถ้าาตอนยังไม่ตายนะคะเขาถอดไปเลยก็ต า, ายเลยเดยเอาถ้าถอดไปจริงๆไม่กลับมาก็ตายเลยเดอมันยังไม่ถึงเวลาตายเนี่ยอจิตไม่กลับเข้าล่างก็ต้องตายอย่างเดียวนั่นแหละ แต่มันยังไม่ถึงเวลาตายไงมันก็ดูดกลับมามันก็รวมมารวมกันแต่มันอยู่ที่ว่ามารวมกันแล้วเนี่ยเอาวิชามันดับขาดไหมล่ะดับขาดสนิทไหมหรือว่ามันกลับมาแล้วมันหลงอีกอ๋อออคือเอาวิชาเนี่ยมันดับขาดไหมล่ะมันกลับมาแล้วเนี่ยตอนมาอยู่ในรวมในร่างเดียวกันแล้วเอวิชามันดับขาดไหมคือหมายถึงว่าที่เขาถอดได้แบบเนี้ยไม่ใช่ถอดได้เพราะว่าสิ้นยึดสิ้นยึดหรือไม่มีอาวิชหมดเอาวิชาแต่ถอดได้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้หลวงตาพูดว่าฟ มันฟุกมันฟุกมันไม่ได้ว่าอวิชาไม่ได้ดับวิชามันฟุกมันถอดได้ชั่วคาว่าฟุกไปแต่พอมันมันบ่อยเนี่ยมันถอดได้บ่อยสามถอดบ่อยอ่ะมันก็เริ่มเป็นวิชามากขึ้นเลยเริ่มเป็นวิชามากขึ้นเริ่มเป็นความจริงมากขึ้นเลยให้มันซ้อมบ่อยๆซ้อมบ่อยๆ เซึ่งซึ่งถ้าเขาซ้องบ่อยๆเขาอาจจะไม่ต้องรอตอนตายเขาอาจจะสามารถที่จะสิ้นอวิชชาได้ถูกต้องในขณะที่ยังมีชีวิ ต, ต อ, อยู่ก็จะไม่กลับมาลงอีกว่าเขาอ๋อเขามันมีสามถอดในร่างกันในร่างเขาเนี่ยพอสามถอดมันกลับมารวมกันแบบอยู่ด้วยกันแต่ไม่ยึดกันในสามถอดเนี่อยู่ในร่างตัวเองอเจนกว่าร อ, อจกกนกว่าจะสิ้นอายุไขัยเหลือไอจิตที่ว่างตัวในไอกายกายกายเนื้อกับไอกายจิตดับไปเหลือผู้รู้ที่เป็นความว่างอุตส่า แต่ลูกมันมีลักษณะมันมันมันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันก็รู้ว่ามันจิตมันว่างจริงๆคือมันไม่ได้พอนอนปุ๊บพอล้มตัวนอนจิตมันก็ว่างพอว่างปุ๊บมันก็เห็นเห็นแล้วกําหนดตามดูมันเฉยๆแต่มันแต่ลูกก็รู้ว่ามันยังไม่มันยังยังไม่ดับอ่ะมันยังมีอวิชชาอยู่ตอนนั้นไม่รู้แต่ตอนเนี้ยรู้แล้วมันก็จะสภาวะเนี้ยมันก็จะเกิดมันเหมือนจะเกิดเรื่อยอ่ะลูกเขายามฝืนมันคือพอรู้ว่าจะเป็นอย่างเก่าแล้วลูกก็ลุกเลย ไม่ชของของยมเล็กเนี่ยมันคือยมเล็กเนี่ยมันไม่เหมือนของของลายบอกเนี่ยยมเล็กก็คือว่าไอตัวที่มันปรุงแต่งมันผสมกับความว่างเอาไอตัวปรุงแต่งไปยึดความว่างของยมเล็กเนี่ยคือเอาไอตัวปรุงแต่งเนี่ยไปยึดความว่างเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออคือมันอยู่ก็รู้สึกว่างไปเลยแล้วนอนหลับรู้สึกว่างไปเลยเนี่ยคือเอาตัวปรุงแต่งเนี่ยไปยึดความว่างมันไม่เหมือนกันนะตรงนี้ตรงนี้อันตรายนะ ค่ะคือถ้าเราเราเรานอนอยู่ดีๆแล้วเราว่างไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้หลงนะหลงไม่ใช่ไม่ใช่สามถอดอย่างเมื่อกี้นี้ค่ะถ้าคือตายก็ตายเลยอย่างตายแล้วหลงเลยไปเป็นเด็กเอ๋อเลยไปเป็นดาว <c oughs> ออทิสติกดาวเซนโดมเลยคนละเรื่องกันเลยอันเนี้ย <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันยังไม่ได้ถอดจากกิตปรุงแต่งเลยเรานอนอยู่ปุ๊บก็ไหลไปสู่ความว่างเฉยเนะี่ยเป็นความว่างที่เป็นความว่างที่สร้างาไว้ในความรู้สึก เป็นเวทนาขันเป็นสุกเวทนาขันเป็นอาการหนึ่งของขันห้าหลงยึดขันห้าอยู่อันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นไธาตุรู้ที่ว่างเปล่าที่ปรุงแต่งไม่ได้เพราะอะไรเหตุที่ไม่เป็นธาตุรู้ว่างเปล่าที่ปรุงแต่งไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ถอดจากไอ้จิตที่ปรุงแตง่งค่ะมันจะไปเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าได้มันต้องถอดออกจากจิตที่ปรุงแตง่งแต่เนี้ยเราเนี่ยอยู่ๆก็ขันห้าเนี้ยแล้วไปว่างเลยเอาขันหน้าไปว่างเลยเนี้ยทํากันเยอะมากเลยไอ้ตัวเนี้ย มันเป็นความว่างในเป็นเวทนาขันตุกเวทนาขันค่ะเออแล้วประยุท์บางคนก็คือเรียกว่าอุเบกขาเวทนาขันเอ่าไม่เรียกว่าตุเวทนาขันแต่เป็นอุเบกขาเวทนาขันแล้วยึดตุเบกขาเวทนาขันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันคือตังเกอไหมมันต่างกันตรงนี้ว่าอันเนี้ยนอนปุ๊บว่างไปเลยนอนปุ๊บว่างไปเลยแต่เมื่อกี้ไม่ใช่เขาว่างเพราะว่าเขาถอดจากจิตที่ปรุงแต่งเพราะเขาเหลือไปรู้สัตวารู้เขาไม่ได้เป็นเพลนว่างนะ เพราะมันรู้สัตว์มันรู้จิตที่ปรุงแต่งมายึดติดปรุงแต่งมันก็เลยเป็นรู้เลยแต่เนี้ยเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งไม่ยึดเป็นรู้ที่เป็นแบบพุทธะแต่เขายังไม่เป็นพุทธาคือเขาไปโดยมันฟุกไปโดยฟุกแต่ถ้าเขาซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็เกิดปัญญาพร้อมกันคือฟุกด้วยเม่ฟุกครั้งหนึ่งแล้วต่อไปก็ทําเป็นแล้วก็เกิดปัญญาบ่อยๆบ่อยๆก็เลยกลายเป็นวิชาไปของของเล็กเนี่ยผิดนะผิด<ค>หลายคนชอบทําแบบเนี้ยี๋ยวอยู่นอนแล้วก็ทําว่างไปเลยอันเนี้ยไม่ได้นะอันเนี้ย มันต่างกันจะมันไปเกิดใหม่จะเป็นพวกปอติติกดาวเจนโดมตายจริงๆเลยเข้าใจไหมเข้าใจวิธีแก้วิธีแก้พอรู้สึกว่างข้างใดเนี่ยให้ย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าใครเป็นคนรู้ว่างเพราะมันเป็นเวทนาขันจะเรียกว่าอุเบกขาเวทนาหรือจะเรียกว่าสุเวทนาก็ตามแล้วแต่เจ้าตัวจะเรียกให้ย้อนกลับมาหาถามตัวเองว่าใครเป็นผู้รู้ความรู้สึกว่างใครเป็นผู้รู้ความว่างก็จะตอบได้ว่า ใครเราเป็นคนรู้ว่างเนี่ยถ้าเราจะเป็นคนรู้ว่างให้รู้ตรงว่าตัวเราที่รู้ว่างมันพูดว่าอะไรบ่นว่าอะไรมันพึมพำพึมพำว่าอะไรแต่เนี่ยเราเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ความว่างเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราว่าในความว่างมีตัวเราคือตัวผู้รู้ตัวเราเป็นผู้รู้แล้วตัวเราพูดว่าอะไรบ่นอะไรพึมพำอะไรแล้วจึงพอปล่อยวางให้ตัวเราเนี่ยคือไอ้จิตปรุงแต่งเนี่ยที่ว่าเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยพอปล่อยวางไอ้จิตปรุงแต่งแล้วจึงจะไปเป็นผู้รู้ที่เป็นพุทธะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ เอ้าว่าไงอ่ะออมันก็เคยเป็นนะเจ้าค่ะที่นั่งนั่งนั่งสมาธิไปแล้วก็พอจิตมันรวมแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนถูกผลักพุ่งออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นเราอยู่ข้างหน้าเนี้ยมองกลับมาตัวที่นั่งอยู่เนี่ยแต่ว่าไอท้ที่ที่เห็นเนี่ยก็คือความรู้สึกนึกคิดมันไปอยู่ตัวข้างหน้าและที่มองเห็นที่เรานั่งอยู่อ่ะคือ คือเรารู้ว่าเนี่ยเรานั่งอยู่แต่ว่าไอ้ตัวที่รู้ว่าเรานั่งอยู่มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใสๆที่มองเข้ามาแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเอ้าออกมาทําไมวะเนี่ยก็จะกลับเข้ามากลับเข้ามากับพวกกลับเข้ามาที่ไอ้ร่างที่ที่นั่งอยู่ที่เป็นร่างกายของเราเนี่ยอันนี้ก็คือนานแล้วแล้วก็แล้วก็เลิกเลิกเลิกทำแต่สมาธิอย่างนั้นไปแล้วความจริงนะคือมันมันต้องพอพอมันเป็นตัวใสๆที่มเห็นตัวเรานั่งใช่ ต้องถามว่าใครมารู้ตัวใสๆนี่ยเราก็หาผู้รู้ก็หาผู้รู้สักตะวันรู้สักตะวรู้ไอ้ตัวใสๆที่มันพูดได้แต่ตัวผู้รู้พูดไม่ได้มันก็เดอดสามถอดเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยแต่เป็นความรู้โดยปัญญาเนี่ยอราเข้าใจด้วยว่าจะฟุกออกไปรู้ด้ยปัญญาว่าใครเออใครมันรู้ไอ้ตัวใสๆมันพูดได้วะเนี่ยไอ้ตัวใสๆพูดได้ตัวใสๆที่ออกมาจากไอ้ล่างที่นั่งสมาธิ ใครมาลุ้ยตัวเตใสมันพูดได้เพราะไอ้ตัวเนี้ยก็คือตัวคิดนึกปรุงแต่งทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ามันไม่มี ไ, ไม่มีร่งางกายไม่มีกระดูกแล้วก็ไอ้ตัวนั้นเป็นตัวการปร่งแสงที่เราพูดอ่ะเป็นการจิตการจิตการโปร่งแสงแต่มันเราไม่ได้ไปอยู่กับผู้รู้นะออืแต่อยู่กับผู้รู้ไอ้ผู้รู้ไอ้รู้อะไรกัอนรู้อ้ตัวปร่งแสงไอ้รู้ที่พูดได้แต่เนี้ยทีนี้มีสภาวะอันหนึ่งที่อยากเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะคือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ย ก็อนั่งอ่านบทถอดเทปเรื่องรู้ทั้งสามและปล่อยวางอ่ะเจ้าค่ะทีนี้พอทําไปเนี่ยไอ้รู้ทั้งสามก็ไม่เท่าไหร่ปล่อยวางเนี่ยก็ชื่อมันก็ปล่อยวางแต่คนทําไม่ปล่อยแล้วก็ประโยคก็ง่ายๆมันไม่น่าจะซับซ้อนแต่คนทําไม่ปล่อยก็เลยไม่รู้จะทํายังไงไปต่อไม่ได้หนูก็เลยหยุด แล้วก็ไปเดินเดินแล้วก็จะรู้สึกเหมือนไฟฟ้าสถิตในหัวค่ะปึ๊บปึ๊ตปึ๊บปึ๊บึ๊ึ๊บึ๊มันก็มันก็รู้สึกว่าเอาละไม่ได้ละมันแบบมันไปต่อไม่ได้มันไม่ปล่อยวางก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ปล่อยวางเนี่ยมันคืออะไรมันไม่ปล่อยอะไรมันไม่ปล่อยอะไรมันก็หาเหตุผลไม่ได้ก็เลยพลิกไปลดน้าต้นไม้เลยพอไปลดน้ําต้นไม้ก็เห็นใจเนี่ยที่มันตั๊บปๆ๊ มันยังไปไอไออารมณ์เมื่อกี้อยู่ว่าว่ามันยังมันยังติดอะไรอยู่มันยังติดอะไรอยู่แต่ไอมือก็ลดน้ําต้นไม้ไปเราก็ถือว่าเอ้ามันจะมันจะเป็นอะไรก็ก็ปล่อยมันเพราะว่าหน้าที่เราก็แค่เอ่อรู้ในสิ่งที่มันเป็นเท่านั้นใจมันก็งงๆงงงอะมือก็ลดน้ําต้นไม้ไปข้างในก็งงงๆงของมันก็ดูไป ดูไปตามตามสภาวะนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็มันก็จะเห็นว่าเออไอภาวะข้างนอกเนี่ยเราไม่ไปยึดติดกับมันคือมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเราก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สักพักเดียวเจ้าค่ะไอที่ว่ า, วามันสักแต่ว่ารู้ข้างนอกข้างนอกเนี่ยมันเห็นว่าไอตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยเราไม่เคยปล่อยมันเลยเรารู้เราเห็น เรารู้เราเห็นเราเราปล่อยอดีเราปล่อยอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยไอ้กัดติดจดจอกัดติดจดจอเนี่ยมันมันมีตัวเราไปกัดติดจดจอตัวเรารู้ตลอดเลยเจ้าค่ะแล้วมันก็อขึ้นมาขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับเวลาที่เราส่งไปฉายไปข้างนอกอะ่ะเราก็จะเห็นข้างนอกว้าวว้แล้วสักพักหนึ่งไอ้ไปฉายมันก็ส่องกลับมาที่หน้าเราอะ่ะก็แบบเฮ้ยอย่างเงี้ย แบบเราเห็นข้างนอกแต่เราไม่เคยเห็นไอ้คนถือไฟฉายเนี่ยแต่ไอ้ตอนที่มันหึบกลับมามันก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนอะไรนะเจ้าค่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันมีตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยปล่อยเราไม่เคยปล่อยไอ้ตัวเนี้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่เคยปล่อยเรามันมันมีของมันอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วพอเห็นอย่างนั้นมันก็แบบตรงเนี้เนี่ยที่บอกว่ามันมีของมันอยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครปล่อยใครมันมีของมันอยู่ตลอดเวลาก็ปล่อยให้มันมีของมันอยู่ตลอดมันมีของมันอยู่ตลอดเวลาก็ปล่อยมันมีของมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครต้องปล่อยใครก็บอกเมื่อกี้ก็บอกว่ามันมีของมันอยู่ตลอดเวลาเลยตัวเราเนี่ยก็ปล่อยให้ตัวเรามันมีของมันอยู่ตลอดเวลาก็แค่นั้นแหละไม่มีใครไปทําอะไรกับอะไรใช่เออแล้วต้องไปทําอะไรกับอะไรจะต้องพยายามไปปล่อยอะไรมันก็เลย มันก็เลยไม่ได้ปล่อยอะไรเพราะว่ามันมันมีของมันเองของมันอยู่อย่างนั้นน่ะเจ้าค่ะตาอตอ ง, ตองแต่การที่การที่เราต้องกัดติดจดจอรู้อยู่ในสภาวะเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เห็นสภาวะของมันบ่ตามความเป็นจริงหรือบบเปล่าคะผิดผเราปล่อยวางตัวที่กัดติดจดจอตัวกัดติดจดจอเนี่ย เราเอาตัวเราเนี่ยเป็นผู้กัดติดจดจอการกัดติดจดจอเป็นเพียงแค่กิยาการแต่เราเอาตัวเราเป็นผู้กัดติดจดจอความจริงเนี่ยในการที่เอาตัวเราไปกัดติดจดจอก็เพื่อตัวเราเองผัวละตัวเราอราจะไปเป็นอะไรจะไปได้อะไรไปเป็นอะไรมันทุกสังขารในปัจจุบันมันโผล่อะไรขึ้นมามีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา และมั น, Adobe, นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของของเราต่อมันจะเป็นอะไรก็ได้ทุกคนแต่ละวันมีแต่สังขารเท่านั้นที <S <S ่เปลี่ยนไปเพราะมันมันสภาวะอันนี <S <S <S ้เลยคือข้างนอกมีอะไรมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันก็ดับของมันไปเองตามที่มันเกิดขึ้นมาแล้วดับเองเหมือนความคิดที่มันปุ๊บปั๊บุ๊บปัขึ้นมามันเกิดขึ้นมามันดับไปเองส่วนไอ้ตัวรู้อ่ะมันรู้ขึ้นมามันก็ดับของมันไปเองเหมือนกันนะเจ้าค่ะจะบอกยังไงเดี๋ยว ไอตัวที่มันรู้อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นตัวเราเสมอเลยที่เราบอกว่าอะไรที่มันรู้ขึ้นมาแล้วมันก็ดับมันเองอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะดับไปเองเกิดขึ้นเองมันดับไปเองแต่ปรากฏว่าไอตัวที่เรารู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเองดับเองอไอตัวเนี้ยมันกลายเป็นตัวเราไปเลยไอตัวรู้เนี่ยมันกลายเป็นตัวเรา มันกลายเป็นเอาตัวเราเนี่ยไปยืนพื้นไหมที่อยู่ที่รู้ว่าทุกอย่างเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองแต่ตัวผู้รู้เนี่ยกลายเป็นตัวเราจริงๆไอ้ใบวางผู้รู้ซะจะ่าไปยึดผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตัวของเรามันจะรู้ไม่รู้ช่างมันวางเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเราก็จะไปคอยรู้ไว้คอยรู้ไว้คอยรู้ไว้จะกลายเป็นรู้ก็คือมีตัวเราไปคอยรู้ หรือว่าไอ้ผู้รู้นี่คือตัวเรานั้นทิ้งไปหมดเลยทิ้งผู้รู้ไปใหมดแล้วก็ไม่คิดว่าทิ้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไม่รู้อะไรเลยถ้าทิ้งหมดแล้วเดี๋ยวมันเข้าใจเองถ้าเรายังไม่ทิ้งผู้รู้มันก็จะไปยึดเอาตัวเราเป็นผู้รู้อยืนนั่นแหละตอนนี้เราก็ต้องตัดใจเลยว่า มันจะรู้รไม่รู้ช่างมันตัวเนี้ยทิ้งไปเลยพอทิ้งแล้วเนี้ยมันค่อยเข้าใจถ้ายังไม่ทิ้งผู้รู้มันมันไม่เข้าใจเหมือนกับตอนสมัยเราไปอินเดียกับลพบุรีอ่ะไปอินเดียกับลพบุรีตาหนังกโลนัดเขาก็พาลูกชายเนี่ยเขาก็ตอนนั้นค เ, เป็นคารว่าเข้าไปด้วยเขาก็ไปซื้อสร้อย ต้อยมาเป็นพวงเลยที่มีเหรียญเหรียญบางๆเที่เขาจะมาฝากคนไทยแล้วก็เอามาให้หลวงพู่อธิษฐานให้ตอนนี้ก็เก็บบธิฐานเสร็จนะก็เก็บไว้สาหรับให้คนไทยก็ไปลงรถไปที่นู้นไปที่นี่เสร็จแล้วก็ขึ้นออบรถหลวงปู่ก็เลยยื่นเหรียญที่อยู่ในพวงนั่นนะมันตกอยู่ที่พื้นรถ หลวงปู่เขาเก็บไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนตอนที่มันตกไม่เครเห็นหลวงปู่ก็เลยยืนว่าเหรียญมันตกเหรียญมันตกก็เลยยื่นเหรียญส่งให้เราเลยบอกว่าอ้าวมันตกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะไม่รู้เลยหลวงปู่บอกว่าถ้ารู้มันไม่หลุดมันหลุดเพราะไม่รู้ <laughs> อะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยวางไปปล่อยวางไปเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิ <laughs> <laughs> ถ้ารู้อยู่ย่อมไม่หลุดท่านว่ามันหลุดแล้ว่อยรู้ถ้ารู้อยู่ย่อมไม่หลุด <laughs> ง่ายเลย <im> ตัดสวนกลับทันควันเลยถ้ายังรู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้ว่อย <im> รู้เขาบอกมันหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เลยหลวงปู่ <im> เหรียญเนี่ยมันหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่เ่ยไม่รู้เลยท่านหลงปู่จะตอบคาถามเราคมมากเลยถ้ารู้อยู่ มันไม่หลุดหลุดแล้วมันค่อยรู้ถามต่อไม่ได้